เรื่องเล่าผีหลอนตอนบ้านวิญญาณแค้นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณสมาชิกหมายเลข3 0 2 0 1 2ย์ห้านได้นำมาถ่ายทอดไว้ที่เว็บพันทิปดอทอมโดยเรื่องราวก็มีอยู่ว่า ท่ามกลางสายฝนโปรยปลายสองข้างทางเต็มไปด้วยน้ำท่วมท้องนาและต้นไม้ที่ขึ้นสูงประปรายฟ้าแลบแปลบปลาบทำให้น้ำซึ่งนั่งในรถเกง๋งที่วิ่งฝ่าสายฝนเข้าหมู่บ้านต้องนั่งสะดุ้งเป็นระยะยะการมาอีสานของเธอกับหนึ่งผู้เป็นสามีคือการหาทำเล เพื่อเปิดกิจการร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั้งสองคนมีนัดกับเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ตระเวนดูมาหลายที่แล้วแต่ยังไม่ถูกใจคืนนี้ทั้งสองเลือกที่จะพักรีสอร์ทในหมู่บ้านแห่งนั้นเพื่อให้สะดวกในการเดินทางไปยังจุดนัดหมายเวลาเก้าโมงเช้า เจ้าหน้าที่ธนาคารมารอเรียบร้อยแล้วบ้านที่ไปดูนั้นโดยรวมภายนอกน่าสนใจเพราะมีทั้งส่วนของบ้านและโกดังเพียงแค่ปรับเปลี่ยนและซ่อมแซมในบางจุดเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเดิมที่ดินตรงนี้เป็นแปลงเดียวกับโรงงานน้ำแข็งที่อยู่ข้างๆแต่เนื่องจากในโรงงานน้ำแข็งนั้น ยังมีเครื่องจักรที่รอสรุปราคาจึงยังทำการขายไม่ได้ธนาคารเลยแยกแปลงนี้ขายก่อนหนึ่งชวนน้ำเดินไปสำรวจในตัวบ้านทันทีที่ย่างเท้าเข้าไปเสียงหลังคากระทบกันคล้ายกับว่าลมจะหอบหลังคาขึ้นไปสองสามีภรรยามองหน้ากันด้วยความแปลกใจ แล้วหนึ่งก็ได้บอกกับน้าว่าน้องเดี๋ยวยกมือไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางนะว่าเราตั้งใจจะมาซื้อที่ดินผืนนี้เพื่อประกอบสำ ม, มาอาชีพหากท่านเมตตาก็ขอให้การเจรจาซื้อขายครั้งนี้ประสบผลสำเร็จแล้วจะเอาเล่าขาวไก่ต้มมาถวายในวันโอนที่ดินราวปาฏิหาริ์หลังคาที่เหมือนจะถล่ม กลับเงียบเป็นปกติที่สำคัญหนึ่งสามารถต่อรองราคาได้เป็นที่น่าพอใจสองเดือนผ่านไปพร้อมกับฤดูฝนที่อยู่อาศัยและโก ด, ดังก็ถูกต่อเติมจนเรียบร้อยหนึ่งและน้ำ้ำเลือกเลือกสะดวกในการย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่โดยถือเคล็ดนำพระพุทธรูปเข้าบ้านเป็นลำดับแรก ทั้งสองได้ตั้งสารพระภูมิและสารตายายเป็นสีขาวสะอาดโดยให้ลุงหมายรอปรพอที่เฝ้าโรงน้ำแข็งข้างๆเป็นทุระในการจัดหาหมอธรรมมาทำพิธีการเปิดร้านช่วงแรกๆลูกค้ายังไม่ค่อยมีหนึ่งใช้วิธีผูกมิตรโดยไป น, นั่งสังสรรกับแก๊งยาดองที่โรงน้ำแข็งเก่าข้างๆ โดยมีเพื่อนร่วมแก๊งเป็นลุงหมาย ร, าปรอปภและสอทอรวมถึงชาวบ้านแถวนั้นในช่วงค่ำๆปล่อยให้น้ำอยู่กับเจ้าวินมาวัดที่เก็บมาเลี้ยงตามลำพังบรรยากาศชนบทเมื่อมืดคำ่ำทำให้รู้สึกวังเวงน้ำทำใจกล้าอยู่ได้ไม่นานก็เริ่มใจไม่ดีความรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียว ได้ยินเสียงพูดคุยอยู่ด้านหลังตัวเองตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปที่อยู่กับเสียงแว่แววที่เหมือนจะไม่หยุดผสมกับเสียงหงิงงของเจ้าวินยิ่งทำให้น้ำประสาทเสียเธอคว้าโทรศัพท์มือถือโทรหาสามีแต่เหมือนโดนแกลง้งหนึ่งทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านจากความกลัวกลายเป็นความโมโห เป็นไงเป็นการเธอคว้าไฟฉายเรียกเจ้าวินเดินตรงไปที่โรงน้ำแข็งที่ตั้งของแก๊งยาดองทันทีแก๊งยาดองยังปักหลักอยู่สามสี่คนหนึ่งยังยืนยิ้มกลิ่นอยู่ตรงนั้นยิ่งเพิ่มดีกรีความโมโหของน้ำขึ้นมากกว่าเดิมน้อยทิ้งเราให้ขวัญผวาอยู่คนเดียว แล้วไม่ยิ้มหน้าระรื่นไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่กลางวงยาดองแล้วพี่พรก็ทักขึ้นมาว่าเจ้เดินมาคนเดียวมืดๆค่ำๆอย่างนี้ไม่กลัวหรือน้ำจึงตอบไปว่ากลัวอะไรพี่พรพี่พรก็พูดตอบว่าก็กลัวผีไงเจ้ไม่รู้หรือก่อนหน้าเจ้มาอยู่ไม่นานมีรถหกล้อ คนคนมาคว่ำตายอยู่แถวนี้แหละหลายคนเลยน้ำทําใจดีสู้เสือกัดฟันตอบกลับไปว่าไม่รอกก็ต่างคนต่างอยู่ไม่เบียดเบียนกันคิดดีทดําดีเขาคงไม่มาวุ่นวายอะไรกับเราหรอกผี่พรก็พูดมาอีกว่าดีแล้วเจ๊เพราะตรงหน้าบ้านเจ๊เขาลือกันว่าผีดุเจ๊ลองสังเกตดูข้างๆบ้านเจ๊ ไม่มีรอยเท้าพวกที่ไปขุดหากบหาหน่อไม้เลยน้ำฝั่งแล้วได้แต่ส่งยิ้มให้ถึงกลัวอย่างไรก็ไม่อยากแสดงออกสองสามีภรรยาเดินกลับบ้านโดยมีเจ้าวินผู้ซื่อสัตว์วิ่งตามหลังปุเลงปุเลงเมื่อถึงบ้านก็อาบน้ำนอนพักผ่อนเพื่อทำงานในวันต่อไป น้องเสียงยันยานหวานหวานของผู้หญิงลอยมาน้ำขยับตัวอย่างขี้เกียจฟ้าใกล้สางน่าจะประมาณสักตีห้าแต่จากการใช้ชีวิตในเมืองมานานการที่จะให้ตื่นในเวลานี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่น่าอภิรมนักเธอกำลังจะพลิกตัวไปทางหน้าต่างฉับพลันก็นึกได้ ใครจะมาเรียกเราในเวลาอย่างนี้รั้วบ้านก็ปิดบ้านนี้ก็อยู่กันแค่สองคนถึงแม้น้ำจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เคยสอนไว้ว่าอย่าขานรับเสียงเรียกที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเธอจึงขมตานอนต่อรอจนสว่างจึงลุกขึ้นอาบน้ำแปลงฝันแล้วเตรียมของสําหรับไหว้พระ และพระภูมิเจ้าที่เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระจัดของไปก็นึกปลอบใจตัวเองไปว่ายายคงมาเรียกให้เตรียมของไหว้กระมังคงกลัวเราจะนอนเพลินจนลืมคิดไปก็พูดไปมีอะไรก็มาบอกได้มาเข้าฝันนะมาแบบสวยๆแต่ยาปรากฏตัวให้เห็นนะเดี๋ยวหนูตกใจกลัว เย็นแล้วน้ำยังเห็นสามียังนั่งเล่นอยู่กับเจ้าวินจึงเอ่ยปากถามว่าวันนี้พี่ไม่ออกไปนั่งกับแก๊งยาดองหรือสามีก็ตอบว่าไม่รอกอยู่เป็นเพื่อนน้องดีกว่าออกไปทุกวันก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเหล้าก็ไม่ได้กินเมื่อสามีอยู่บ้านแถมยังเป็นวันพระด้วยน้ำจึงถือโอกาสสวดมนต์ อีตีปิโสผักขาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌ า, าราณสัมปโนสุขโตแสกแสกแส ก, สกเสียงเหมือนคนใส่รองเท้าสลิปเปอร์เดินอยู่ข้างหลังเธอดีใจนึกว่าสามีมาอยู่เป็นเพื่อนจึงหันไปดูแต่ก็ผิดคาดข้างหลังมีแต่ความว่างเปล่า น้ำจึงทำใจแข็งสวดมนต์ต่อแสกแสกแสกเสียงนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเสียงนั้นเหมือนว่ามีคนเดินมากกว่าหนึ่งคนน้ำเร่งระดับเสียงในการสวดมนต์จนแทบจะตะโกนอยู่แล้วแต่ความรู้สึกที่มีคนอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้จางหายไปในที่สุด น้ำลุกขึ้นวิ่งเข้าห้องนอนไปเลยไม่ต้องสวดมันแล้วพอพอคือนนั้นเองที่เธอฝันในฝันเธอเห็นกลุ่มชายชะกันประมาณสี่ห้าคนเดินตามกันมาจูๆคนที่เดินข้างหน้าก็วิ่งคนข้างหลังวิ่งตามไปกระชากผมแล้วใช้พระปาดคอคนที่วิ่งข้างหน้าน้ำสะดุ้งด้วยความตกใจ ฟ้ายังไม่สว่างเธอจึงปิดตานอนต่อในใจก็คิดว่าพรุ่งนี้เราจะไปใส่บาทให้นะพ่อบ่ายคล้อยขณะที่น้ำเช็คของอยู่ในโกดังที่ติดกับโรงงานน้ำแข็งก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังคุยกับลุงหมายคิดว่าคงเป็นพวกที่จะมาซื้อที่กระมังแต่ผ่านไปหลายวันก็ไม่เห็นมีใคร เข้ามาทำอะไรต่อเมื่อเจอลุงหมายน้ำจึงถามถึงเรื่องนั้นลุงหมายก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อเขาคงไม่มาแล้วล่ะเจ๊ก็ตอนที่ลุงกำลังพาเขาเดินไปดูข้างในพอกำลังจะเดินออกจากบ้านอยู่ดีๆประตูเหล็กมันก็เด้งขึ้นเด้งลงเองตั้งหลายทีพอหันหลังกลับก็มีผู้ชายวิ่งเข้าไปในเสา เท่านั้นแหละแตกกันกระเจิงเลยน้ำก็ถามต่ออีกว่าอา้าวแล้วลุงเคยเจอหรือเปล่าละ่ะมาเฝ้าอยู่ตั้งนานก็เจอสิก่อนเจ้ามาอยู่ตอนนั้นลุงอยู่มืดมืดไม่มีไฟใช้ดีที่เจ้ามาแล้วให้ต่อไฟใช้ตอนนั้นมันมันนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องน้ำนี่ละ่ะน้ำถามอีกว่าแล้วลุงไม่กลัวหรือ ลุงก็ตอบว่ารัวสิแต่ลุงต้องอยู่ที่นี่เด็กคนนั้นก็ลูกหลานคนที่นี่แหละลุงก็รู้จักลุงเคยบอกมันว่าจะอยู่ก็อยู่นะแต่อย่าทําคนแก่ตกใจเลยกิจการร้านค้าของหนึ่งและน้ําเปิดมาสามปีลูกค้าต่างมาอุดหนุนมีลูกค้าเจ้าประจําอยู่หลายรายแต่ทั้งสอง กลับต้องเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกมาตลอดนั่นคือการเบี้ยวงานของลูกจ้างแม้ว่าจะดูแลดีอย่างไรก็ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้สักทีโดยเฉพาะถ้ามีงานเร่งไม่มีใครยอมทำโอทีกันเลยถึงแม้จะเลี้ยงข้าวปลาอาหารและให้เงินล่วงเวลาเป็นสองเท่าก็ตามมันเป็นแบบนี้เรื่อยๆ ทำให้เหนื่อยและท้อจนเริ่มคิดถึงการขายบ้านและย้ายถิ่นฐานสองเดือนผ่านไปกับการประกาศขายบ้านมีนายหน้าให้ความสนใจเข้ามาติดต่อกันหลายคนแต่ยังไม่สามารถหาคนมาซื้อได้จนมีอาเฮียคนหนึ่งติดต่อมาเขาตอบตกลงแต่ยื่นข้อเสนอที่เอาเปรียบมากมาย ถึงจะไม่พอใจอย่างไรแต่ใจของหนึ่งและน้ำก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วจึงยอมตกลงไปน้ำเอาความไม่พอใจนี้มานั่งปรับทุกข์กับฟ้าเจ้าของร้านสักรีตตัวเองพี่มีเรื่องจะบอกฟ้าเกเนตอนแรกพี่ไม่อยากจะเล่าให้ตัวเองฟังกลัวตัวเองคิดมากแต่ตัวเองขายที่ตรงนั้นได้แล้ว พี่ก็จะเล่าให้ฟังที่ที่ตัวเองขายไปนะ่ะมันขายยากคนพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครกล้าซื้อหรอกตรงนั้นแต่ก่อนเป็นโรงงานไอติมเจ้าของเดียวกับโรงงานน้ำแข็งเสียเจ้าของโรงงานเจ้าชูมากไปได้กับเมียลูกน้องเขา้าทีนี้ลูกน้องจับได้ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต ลูกน้องคนนั้นเสียใจมากไปผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำที่โรงน้ำแข็งแต่ก่อนมันเป็นแปลงเดียวกันเดินทะลุหากันได้ก่อนตายลูกน้องคนนั้นก็แช่งเท่าแก่เอาไว้เยอะว่าต่อไปใครมาทำอะไรก็ให้ไม่เจริญพบแต่ความเดือดร้อนจนสามเดือนผ่านไปหนึ่งและน้ำ มีโอกาสได้แวะกลับมาเยี่ยมทิ่นเก่าเอาของมาฝากลุงหมายน้ำสะดุดป้ายประกาศขายติดติดไว้ตรงหน้าอดีตบ้านของเธอเมื่อถามลุงหมายก็จับใจความได้ว่าเจ้าของบ้านคนใหม่เจอดีตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ให้ลูกน้องมาอยู่ก็ไม่มีใครอยู่ได้ต้องประกาศขายอย่างที่เห็นนี่แหละ ทั้งสองร่ำลาลงหมายเพราะเห็นพบข้าแล้วก่อนจะปิดประตูรถก็ได้ยินเสียงแววมาว่าตักตักตักตักตตักตักตักตักักตักแก่ตักแก่ตักแก่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอน จากท่านสมาชิกหมายเลข305 2012ด้วยนะครับ